โลกอุตราภูมิอีกข้อหนึ่งคําว่าโลกภพหรือภูมินี้พึงเข้าใจความหมายรวมรวมกันก่อนว่าได้แก่ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิดของสั์โลกทั้งหลายผู้ทด่มีจิตใจยังท่องเที่ยวผัวพันอยู่ในกามก็ยังเกิดในกามโลกหรือกามาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวคล่องอยู่ในกามจะเรียกว่ากามาวจรภูมิ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 ก็ได้มีคติความคิดวางแผนพังโลกไว้อย่างมีระเบียบคือตรงใจกลางโลกมีภูเขาสูงใหญ่ชื่อว่าสุเมรุมักเรียกในภาษาสันสกฤตหรือสุนเนรุมักเรียกในภาษามาคตเหมือนยางพลารถอยู่กลางล้อรถเขาสุเมรุจึงเท่ากับเป็นพลาโลกหรือจักรวาลนี้เขาสุเมรุมีภูเขาแวดล้อมเป็นวงรอบอีกเจชั้นและมีมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างเจมหาสมุทร กเขาทั้งเจ็ดมีชื่อนับจากข้างในออกมาข้างนอกดังต่อไปนี้ 1. อสักกันะสองวินตกะ 3. เนมินทร์ศยุคันทร 5. อิสินทร์ 6. กรวีกะและ7สุทัศนะชื่อเหล่านี้กล่าวเรียงลำดับตามเนมิราชชาดกในชาดกนั้นกล่าวว่า เขาเหล่านี้สูงกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับนับจากเขาเสถัศสนะซึ่งอยู่ข้างนอกต่มกว่าทั้งหมดจนถึงเขาอสักกันนะซึ่งอยู่ข้างในซึ่งสูงทัดจากเขาสุเมรุรวมเรียกว่าสัตตปริพันธ์พะปันพศหรือเขาสัตตบริพันธ์สัตตแปลวเจ็ดบริพันธ์แปลว่าวงล้อมส่วนสมุดซึ่งขั้นอยู่ระหว่างนับจากระหว่างเขาสุเมรุเขาอสักกันนะรวมเจ็สมุด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 ไทยเราเรียกว่าสีธันดอนส่วนในตรายภูมิพระร่วงลำดับชื่อพวกเขานับจากข้างในออกไปข้างนอกแตกต่างออกไปบ้างคือ 1. ยุคันธร 2. อิสินธรสกรวิก 4. สุทัศนะหเนมินธร 6. วินันตกะ 7. อสักกันะในคำพีมหายานของทิเบต ร, รียงลำดับชื่อต่างออกไปอีกบ้าง และให้คำแปลดังนี้ 1. ยุคันทรหรือทรงแอบ 2. อ, อิสันทรหรือทรงคันไถตามเนมิราัชชาดกเรียกอิสินทรแปลว่าทรงฤาษี 3. กรวิกะหรือเขียนเท้าหรือไม้จันแต่ทั่วไปแปลว่านกชื่อนี้ 4. สุทัศนะหรือมีทัศนะที่ดีคือหน้าดูห อสวักรณะหรือหูมา 6. วินัยกะหรือมาร้ายหรือที่ประชุม 7. เนมินทรหรือทรงวงกลมหรือกงในอภิธานปทีปิกาเรือลำดับดังนี้ 1. ยุคันทร 2. อิสิธร 3. กรวีกะ 4. สุทัสสะ 5. เนมินทร 6. วินตะกะ เั็อสการนะและกล่าวว่าเขาสุเมรุนั้นเรียก5าชื่อคือสิเนรุเมรุติธิวาทานมรุสุเมรุเขาสัตตาบริพันธ์คือเขาบริวารของเขาสุเมรุทั้งเจ็ดถึงจะเรียกชื่อสัพท์กันบ้างแต่ก็รวมลงว่าทั้งหมดมีเจ็ดเทือกเขาและในฉบับมหายาณของที่เบตยังกล่าวถึงน้าในสีสันดอนมหาสมุทรทั้ง7พิสดารออกไปอีกว่า เป็นน้ำต่างๆกันนับจากข้างในออกไปโดยลำดับดังนี้ 1. มหาสมุทรแห่งน้านมที่มีกลิ่นหอม 2. แห่งน้ำนมส้ม 3. าแห่งเนย 4. แห่งน้ำโลหิตหรือน้ำอ้อย 5. แห่งน้ำยาพิษหรือเหล้า 6. แห่งน้าจืด 7. แห่งน้ำเค็มและกล่าวว่ามหาสมุทรเหล่านี้กว้างลึกมาก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 เป็นถิ่นผิวสีแดงชาวทวีปนี้มีอำนาจมากชอบบริโภคเนื้อปะทุสัตว์มีรูปหน้ากลมเหมือนอย่างรูปทวีป 4. ทางทิศเหนือมีทวีปชื่ออุตรกุรุหรือชาวเมืองกรุภาคเหนือคำพิธีเบรกล่าวว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเป็นถิ่นผิวสีเขียวชาวทวีปนี้เข้มแข็งมีเสียงดังมีรูปหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนมา้า มีต้นไม้ซึ่งอำนวยความสะดวกสิ่งที่ต้องการเป็นที่อยู่อาศัยทวีปใหญ่ทั้งสี่นี้คัำพีที่เบกล่าวว่ามีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละสองตั้งอยู่สองข้าของทวีปใหญ่รวมเป็นสิสองทวีปส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทวีปเล็กๆ เ, เป็นบริวารมากนับรวมถึงสองพันและได้กล่าวรูปหน้าของชาวทวีปทั้ง4ี่นี้ว่าคนในชมพูทวีปหน้าดั่งดุมเกวียนคนในบุพภวิเทหะ หน้าดังเดือนเพ่นและกรุ้มดังหน้าแว่นคนในอุตรากุรุหน้าเป็นสี่เหลี่ยมคนในอมอโรโขยานหน้าดังเดือนแรมแปดค่ำไตรภูมิพระร่วงแต่งจากคัมภีร์ทางหินยานหรือทักสิณนิกายคัมภีร์ฝ่ายนี้พรันานาอุตรากุรุทวีปได้ดีวิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยย่อในตอนที่ว่าด้วยผ่านยักษ์ผ่านพระทวีปทั้งหมดเหล่านี้ต้องอยู่ในมหาสมุทรน้ําเข็มในสี่ทิศของเขา สัตตาบริพานซึ่งมีเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางทัดเจ้าทวีปเหล่านี้ออกไปก็ถึงที่สุดโลกโดยรอบซึ่งมีกำแพงเหล็กเป็นขอบกั้นอยู่รอบเหมือนอย่างกงแห่งล้อรวมเป็นจักรวาลโลกของเรานี้ก็เป็นจักรวาลอันหนึ่งในจักรวาลทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอันมากคัฟฟมภีรฝ่ายมหายานของทิเบตกล่าวไว้ว่าทุกๆจักรวาลตั้งอยู่ในอากาศว่างเปล่า อันไม่อาจอยังอาศัยอยู่บนผืนลมเหมือนอย่างวัชระคือสอนพระอินทร์หรืออสนีบาดรูปกากบาทแข็งทนทานเหมือนวัชระคือเพชรบนลมนั้นมีห้วงน้ำตั้งอยู่บนห้วงน้ำมีรากฐานเป็นทองคำโลกตั้งอยู่บนรากฐานทองคานั้นมีเขาพระสุเมรุพุ่งขึ้นไปเป็นแกนกลางแผนผังโลกตามความคิดเก่าของอินเดียดังที่กล่าวมานี้ ถ้าลองเขียนเป็นแผนที่ย่อดูจะเห็นว่าวางเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูคือจะเห็นโลกทั้งหมดเป็นรูปจักรวาลคือวงกลมชนิดมีขอบอย่างล้อรถซึ่งใหญ่ตัวมหึมามีเขาสมัยรุ่สูงใหญ่เป็นศูนย์กลางมีเขาสูงลดหลั่นลงไปล้อมเป็นบริวารอยู่อีกเ็ดชั้นและมีมาหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างทุกชั้นพ้นออกไปก็เป็นมาหาสมุทรมีทวีป ท, ทั้งสี่ตั้งอยู่ในสี่ทิศตัวอย่างแผนผังเมืองที่มีระเบียบ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 น่าจะไปเที่ยวสำรวจให้รอบโลกได้ยากแต่เมื่อกำหนดลงเป็นแน่ว่ามีทวีปในสี่ทิศทวีปในทิศที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้เห็นอยู่แน่แล้วจึงต้องค้นคิดหาทวีปในอีกสามทิศ ต, ตั้งเขาสมิรุเป็นศูนย์กลางแต่มีบุคคลบางพวกในปัจจุบันแสดงความเห็นว่าอีกสามทวีปนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกนี้แต่ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงทวีปเหล่านี้ได้กล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาล น, นี้นั่นแหละ พิเคราะห์ดูตามแผนผังโลกของท่านก็จะต้องมีไม่เช่นนั้นก็ขาดไปสามทิศและยังให้แสดงเวลาของดวงอาทิตย์ไว้ว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในชมพูทวีปนี้เป็นเวลาเที่ยงวันในบุพภวิเทหะเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอุตราก uru, ุานนออรเนนเุเป็นเวลาเที่ยงคืนในอมรโคยานเวลาอาทิตย์ขึ้นในบุพภวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงวันในอุตรากุรุเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอมรโครยาน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 เวลา12นาฬิกานิวซีแลนด์อัติจูด26องศาเหนือลองจิจูด173องศาตะวันออกเวลา18นาฬิกานิวออร์ลีสชิคาโกอัติจูด26องศาเหนือลองจิจูด97องศาตะวันตกเวลา24นาฬกาอังกฤษละติจูด26องศาเหนือลองจิจูด7องศาตะวันตกตามที่เทียบกันนี้ ชมพูทวีบอยู่ที่อินเดียปุภาวิเทหะอยู่ที่แถบนิวซีแลนด์อุตตรกุรุอยู่ที่แถบนิวออรลีนส์ชิคาโก้นับ ก, กว้างๆว่าอเมริกาอามอนโคยานอยู่ที่แถบอังกฤษนับ ก, ก ว, ว้างๆว่ายุโรปแต่ตามกติกาความคิดเรื่องสีธวีปน่าจะมิได้มุ่งหมายถึงประเทศปัจจุบันเหล่านี้เพราะมีแนวความคิดเรื่องโลกกลมโคนละอยา่างทั้งพันานาถึงลักษณะภูมิประเทศและบุคคลคล้ายกับเรื่องในนิยายหรือจะเป็นอย่างเดียวกัน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 มีผู้เชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาด้วยคัมพีร์ชั้นหลังยิ่งแสดงวิจิตพิสดารมากถ้าพุทธศาสตร์จะมุ่งแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิศาสตร์ไปและท่านผู้แสดงก็จะกลายเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์ในยุคหนึ่งมิใช่เป็นศาสดาผู้ประกาศศาสนาที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกยุคสมัยด้วยเหตุผลที่เป็นสามัญสํานึกเพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้างหลักฐานธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่า